34. การทำสมถกรรมฐานและการพลิกจากสมถะขึ้นสู่วิปัสนาวงเล็บเปิด 21. ิบมีนาคม2 5ง2บในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเมื่อเช้าเดินมาจากศาลาก็ตรวจการบ้านพระมาเรื่อยๆมีพระมาถามเรื่องทำสมาธิทำฌานทำอะไรนี่จะยากอะไรเราต้องรู้หลักนะอย่างการปฏิบัติมันมีสองส่วนสมถะกับวิปัสนาสมถะทำไปเพื่อให้จิตใจสงบมีความสุข ใจิตใจได้พักผ่อนพอมีความสุขความสงบพักผ่อนพอสมควรแล้วต้องมาเจริญวิปัสนางานหลักของเราคือทําวิปัสนางานสมถะเป็นงานสนับสนุนให้มีแรงทํำวิปัสนาถ้าทําแต่สมถะอย่างเดียวนะอนาถาเกินไปไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าก็ได้คนอื่นเขาก็ทําสมถะเป็นทีนี้พอทําสมถะได้แล้วก็มาเจริญวิปัสนาให้เกิดปัญญาวิปัสนาคือการเจริญปัญญาสมถะเป็นการทําให้มีสมาธิ วิปัสสนาคือการทําให้เกิดปัญญาเอาจิตที่มีสมาธิแล้วมารู้กายมารู้ใจพอเรารู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้านี่รู้รูป ร, รู้นามนะถ้ารู้เต็มที่เราจะรู้นิพพานไม่มีวิธีที่สองเลยที่จะไปรู้นิพพานได้บรรลุ ถ, ถึงนิพพานได้ไม่อยู่วิธีเดียวคือรู้รูป ร, รู้นามให้มันแจ้งถ้าปัญญาแจม่มแจ้งในรูปในนามในกายในใจเห็นความจริงของมันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพูดง่ายๆ มันเป็นตัวทุกข์นั่นเองถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้จิตมันจะปล่อยวางรูปนามประจักษ์นิพพานนี่การปฏิบัติมันไม่มีอะไรมากไม่ยากอะไรจับหลักให้แม่นแม่นทีนี้ทำอย่างไรจะทำสมถะได้สมถะเป็นพื้นฐานให้จิตมีสมาธิเอาจิตที่มีสมาธิไปเจริญปัญญารู้รูปนามจนกระทั่งปล่อยวางรูปนามแล้วไปถึงนิพพานเห็นนิพพานวิธีทาสมถะก็ไม่ยากอะไร ถ้าจับหลักได้แล้วก็ง่ายเห็นไหมอะไรๆถ้าจับหลักได้มันง่ายหมดเลยถ้าไม่มีหลักนะมันยากมันดูซับซ้อนมันดูสับสนเข้าใจยากเข้าถึงยากปกติจิตของเราจะสายตลอดเวลาภาวนามาถึงวันนี้เห็นหรือยังจิตสายทั้งวันเลยไม่เคยหยุดหรอกสายไปซ้ายสายไปขวาข้างบนข้างล่างไปข้างหน้าข้างหลังไปอดีตไปอนาคต ไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งสารพัดจะไปจิตที่สายไปสายมาเหมือนว่าวว้าวที่ไม่ค่อยจะดีนะมีใครเคยเล่นว่าวไหมคนยุคนี้ไม่เคยละมั้งต้องรุ่นแก่ๆถึงจะเคยว้าวที่ไม่ดีนะสายสายสายทรงตัวไม่ดีสายไปสายมาแต่เวลาว้าวติดลมบนรู้สึกไ้ยจะนิ่งจิตก็เหมือนกัน จิตนี่มันกระทบอารมณ์ก็สายไปสายมาอารมณ์มันไม่นิ่งอารมณ์มันเปลี่ยนตลอดวุบวับวุบวับไปทําอย่างไรให้จิตมันนิ่งจิตมันจะนิ่งได้เพราะมันติดอยู่ในอารมณ์อันเดียวสม่ําเสมอสบายอยู่ในอารมณ์อันเดียวดูเบาๆดูสบายๆที่จิตมันวิ่งสายไปสายมาเพราะอะไรเพราะมันเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์ไม่ใช่สายไปสายมาสเปะสปะหรอกสายไปหาความสุขสายจะหนีความทุกข์ก็มีเท่านั้นแหละ เจอความทุกข์อยู่ตรงนี้ก็หลบไปตรงโน้นคิดว่าความสุขอยู่ตรงโน้นก็วิ่งไปใส่ตรงโน้นวิ่งวกไปวกมาใายไปสายมามันอยากได้ความสุขถ้าเราฉลาดการจะทำสมถะเราก็เลือกดูอารมณ์ที่เป็นกุศลเอาที่เป็นกุศลแล้วมีความสุขนะจิตเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็เลือกเอาอารมณ์อ น, นั้นแหละมาทาสมถะกรรมฐานคนไหนขี้โมโหน ะ, จะเจริญเมตตาแล้วมันมีความสุขก็มาจเจริญเมตตา คนไหนมีราคะมากจิตใจถูกรบกวนมากนะไปดูปฏิกูลดูอสุภะแล้วจิตใจมีความสุขก็ทำไปคนไหนฟุ้งซ่านมากมารู้ลมหายใจแล้วมันมีความสุขอะไรอย่างนี้ก็ทำไปอะไรก็ได้ไม่เฉพาะที่หลวงพ่อพูดหรอกสมถกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์ใช้อารมณ์ได้ทุกชนิดเลยเวลาพระอริยบุคคลท่านจะทำสมถกรรมฐานบางทีท่านใช้นิพพานเป็นอารมณ์ก็มีดังนั้นอารมณ์ของสมถกรรมฐานไม่เลือกหรอก บางคนเรียนน้อยไปหน่อยก็คิดว่าอารมณ์สมถกรรมาฐานต้องใช้อารมณ์บัญญตัติใช้อารมณ์ปรม a m ก็ได้รู้รูปรู้รนามก็ได้แต่ว่าไม่เห็นไตรลักษณ์หรือจะไปรู้นิพพานก็ได้คืออารมณ์อะไรที่จิตใจอยู่และมีความสุขจิตใจไม่หนีไปจิตพอใจจิตจะเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์อันนั้นจิตมันก็ไประลึกถึงอารมณ์อันนั้นอยู่เรียกว่ามีวิตกจิตมันเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์อันนั้นโดยไม่ได้บังคับเรียกว่าวิจารณ์ วิจารไม่ได้แปลว่าวิภาควิจาร์นะไม่ได้แปลว่าคิดด้วยบางคนแปลวิตกว่าตรึกแปลวิจาร์ว่าตรองนี่คนโบราณฟังอย่างนี้เขาก็รู้เรื่องแบบคนโบราณคนสมัยใหม่ตรึกเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แล้วตรองเป็นอย่างไรก็ไม่รู้รู้แต่ตรึกก็คงคิดตรองก็คิดอีกนะ่ะเลยกลายเป็นนักคิดไปหมดวิตกคือจิตมันไปตรึกไประลึกถึงอารมณ์อันใดอันหนึ่งที่มันมีความสุข พอมันระลึกถึงอารมณ์ที่มีความสุขใจมันพอใจใจมันเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์นั้นไม่หนีไปที่อื่นเรียกว่ามันมีวิจารณ์พอมันไม่หนีไปที่อื่นมันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้นเรียกว่าเอกคตาดูไปเรื่อยๆมันมีปิติมีความสุขขึ้นมามันไม่ยากหรอกต้องรู้จักไม่ใช่ไปบังคับจิตอย่างเมื่อเช้าสอนพระพระหลวงพ่อองค์หนึ่งทำไมโมหะเยอะวันนี้ไปเข้าสมาธิมาเข้ามิจฉาสมาธิน่ะสิ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 ใจมันจะวิ่งหนีความทุกข์ถ้าเรารู้อารมณ์อะไรแล้วเรามีความสุขใจมันก็ไม่วิ่งไปที่อื่นมันก็สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเห็นไหมหลักง่ายๆแค่นี้แต่กว่าจะเอามาสรุปพูดง่ายๆนะหลวงพ่อทําสมาธิหัวปักหัวปั๊มอยู่ตั้งนานหลายปีกว่าจะจับหลักได้ครูบาอาจารย์ให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโททําไปเรื่อยเลยทําไปเรื่อยหวังว่าวันหนึ่งจะสงบเวลาลงมือทําก็ไปน้อมช่วยมันหน่อยน่ะมันจะได้สงบเร็ว ช่วยมันนะมันกลายเป็นสลบไปหมดไม่ใช่สงบถ้าใจเราอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขมันสงบของมันเองมันจะแน้วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวฉะนั้นอารมณ์อะไรที่มันมีความสุขมันอยู่ได้นานใจมันจะอยู่กับอารมณ์นั้นนานแต่เราต้องรู้จักเลือกนะจะมาอ่านกําลังภายในแล้วก็บอกว่าอยู่กับความสงบตรงนี้นานอันนี้ยังใช้ไม่ได้ใจมันยังกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงมันพอใจมันมีความสุขมีสมาธิเหมือนกัน แต่สมาธิออกนอกหาอารมณ์ที่เป็นกุศลมาสักอันแล้วก็รู้มันไปด้วยความสุขใจสงบอย่างหลวงพ่อชอบหายใจหายใจตั้งแต่เด็กพอหายใจแล้วมันมีความสุขฉะนั้นวิธีหายใจนะวันนี้หายใจดูทำใจสบายสังเกตไหมเวลาเรากลุ่มใจเราจะถอนใจนึกออกไหมนี่กระบวนการง่ายๆรู้สึกไหมเวลาเราถอนใจแล้วโลง่งพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่า ภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวผ่อนคลายเห็นไหมใจเริ่มมีความสุขแล้วหายใจอย่างมีความสุขสงบทันทีเลยขนลุกแล้วหายใจจิกเดียวเกิดปิติทันทีฉะนั้นเรารู้อารมณ์นะรู้ไปอย่างมีความสุขจะเป็นอารมณ์ที่ต้องเกื้อกูลต่อการเจริญปัญญาต่อไปไม่ใช่อารมณ์อะไรนอกคอกออกไปอารมณ์ที่ดีที่เกื้อกูลต่อการเจริญปัญญา ต้องเป็นอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจของเราอารมณ์บางอย่างไม่เกื้อกูลเท่าไหร่เช่นเราไปเพ่งไฟเพ่งเทียนเพ่งลูกแก้วเพ่งพระเพ่งอะไรข้างนอกเพ่งดินเพ่งลมเพ่งลมเพ่งอย่างไรตัวลมเรามองไม่เห็นด้วยตาใช่ไหมแต่ถ้าดูใบไม้ไหวจะรู้เลยเดี๋ยวลมเบาลมแรงอะไรนี่เพ่งอย่างนี้เรียกว่าเพ่งออกนอกเพ่งออกนอกจนสงบได้ชานได้ริดมีริดมีเดชอะไรอย่างนี้แต่ต่อวิปัสสนายาก เพราะมันออกนอกไปเสียแล้วไปสงบอยู่ข้างนอกไปรู้ไปเห็นอยู่ข้างนอกออกไปเที่ยวที่อื่นง่ายอย่างเราดูไฟสักดวงหนึ่งนะดูไฟใจมันออกนอกอยู่แล้วพอสงบปุ๊บกิเลสอยากจะดูอะไรมันพาไปดูเลยฉะนั้นให้เลือกอารมณ์ที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจของเราเพื่อจะมาต่อเข้ากับการเจริญปัญญาได้ง่ายเช่นเรามารู้ลมหายใจมารู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเดินจงกรมไปรู้ไปอย่างมีความสุข เดินไปอย่างมีความสุขไม่ใช่เดินเมื่อไหร่จะสงบนะหลวงพ่อเคยเป็นเมื่อก่อนไปบังคับจะให้ใจสงบใจมันเหมือนเด็กยิ่งบังคับมันยิ่งดือ้อเหมือนไม่เนนมาเรียนด้วยบอกเนนดือนด้อทำไมเนนดื้อก็ผู้ใหญ่ชอบไปบังคับนะถ้าเราหาอารมณ์ที่เนนมีความสุขแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลมาค่อยๆให้ใจเขาเคลียร์ในธรรมามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่ดือ้อจิตนี้ก็เหมือนกันอย่าไปบังคับมันหลวงพ่อสั่งญาติโยมบ่อยๆ บอกอย่าไปบังคับลูกให้ภาวนาบางคนโมโหที่ลูกไม่ภาวนาโมโหใหญ่เด็กยิ่งดือ้อเด็กยิ่งต่อต้านเราภาวนาให้เด็กมันเห็นสินี่พ่อก็มีความสุขแม่ก็มีความสุขเองจะโง่อยู่คนเดียวก็แล้วไปเดี๋ยวมันทนไม่ได้มันก็อยากภาวนาบ้างเวลาที่เราภาวนาจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขมันเกิดพลังงานขึ้นมามันมีกระแสแห่งความร่มเย็นถ่ายทอดออกไปใครเข้าใกล้ก็จะรู้สึกร่มเย็นอย่าว่าแต่คนเลยสัตว์มันก็รู้นะ คนไหนร่มเย็นมันก็ชอบไปอยู่คนไหนร้อนมันก็จะระแวงมันระวังเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่สวนโพหลวงพ่อมีสัตว์เลี้ยงอยู่คืองูเหา่าเชื่องน่ารักสวยจริงๆเลยถ้าใครกลัวแต่ ง, งูจะไม่เคยสังเกตมันถ้างูที่ไม่มีประสบการณ์ถูกทําร้ายนี่ไม่ดุหรอกสัตว์ที่มันดุขึ้นมาเพราะมันมีประสบการณ์ไม่ดีงูมันก็สวยของมันเราดูงูเราก็มีความสุขแล้วเราภาวนาใจของเราอยู่ในอารมณ์ที่สบาย บางคนฟังซีดีหลวงพ่อก็มีความสุขฟังไปเรื่อยๆจิตใจสงบจิตใจร่มเย็นขึ้นมาพอมีความสุขมันจะแผ่พลังออกไปมันจะดึงดูดคนอื่นให้อยากภาวนาด้วยบางคนก็หวังดีเที่ยวชวนเพื่อนมาภาวนาสิดีนะดีอย่างโน้นดีอย่างนี้พอเขาไม่ภาวนาก็โมโหเขาไม่เชื่อหรอกหน้าอย่างนี้ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นเราเอาตัวให้รอดก่อนพระพุทธเจ้าสอนฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ฝึกของเราก่อนถ้าใจเราทําความสงบอยู่ในอารมณ์ที่สงบเราสบายมันก็ดึงดูดคนเข้ามาคนก็อยากเข้าใกล้เขาก็อยากปฏิบัติบ้บางดังนั้นหาอารมณ์ที่เราอยู่แล้วสบายใครที่ไม่อารมณ์อะไรที่เกี่ยวกับกายกับใจของเราแล้วก็สบายอันไหนสบายเอาอันนั้นแหละแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนรู้ลมหายใจแล้วสบายบางคนเดินจงกรมแล้วสบายบางคนรู้อิรยาบถสีแล้วสบาย บางคนขยับมือเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกแล้วก็สบายยังสายหลวงพ่อเทียนขยับไปขยับไปสบายๆจิตก็สงบถ้าขยับไปแล้วท่าไหนวะอ๋อท่านี้อย่างนี้ไม่สบายไม่สงบหรอกฉะนั้นเลือกเอานะไม่ยากหรอกสมถะาอารมณ์ที่สบายที่มีความสุขจิตรู้แล้วมีความสุขจิตก็จะไปอยู่กับอารมณ์นั้นโดยที่ไม่ต้องบังคับถ้าบังคับจิตไม่อยู่หรอกจิตจะหนีเพราะจิตไม่มีความสุขจิตเหมือนเด็ก เราบังคับมากมันจะหนีแต่ถ้ามันมีความสุขมันมาเองเหมือนเด็กออกไปซนนอกบ้านเราไปเรียกมากินไอติมนะมันมาเองเห็นไหมมันมาแล้วมันมีความสุขให้มันกินให้มันอาบน้ำทาแป้งเดี๋ยวมันก็นอนแล้วมันมีความสุขถ้าจิตใจเรามีความสุขมีความสงบแล้วอย่าเฉยอยู่แค่นี้ถ้าทาแค่นี้โง่อีกแล้วเรียกว่าฉลาดน้อยน้อยมากๆเลยไม่ใช่น้อยไปหน่อยเสียโอกาสที่สาคัญในชีวิต คือเสียโอกาสของการเจริญปัญญาขาดการเจริญสติเจริญปัญญาต้องมาทําวิปัสสนาต่อทําอย่างไรจะพลิกจากสมถะขึ้นสู่วิปัสสนาได้วิปัสสนาคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงดังนั้นเมื่อใจเราสงบแล้วอย่าสงบอยู่เฉยเฉยเพลินเพินมีแต่ความสุขอยู่เฉยเฉยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจไว้หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆเวลาที่จิตถอยออกจากสมาธินะ จิตที่เคยสงบจะเริ่มฟุ้งซ่านให้เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปตรงนี้เป็นนาทีทองของการปฏิบัติเลยการที่จะพลิกจากสมถะขึ้นวิปัสสนาทำความสงบมาแล้วตอนที่จิตถอยออกจากความสงบอย่าเจตนาถอยถ้าเจตนาถอยจะปวดหัวใจมันยังคล้ายๆมันยังนอนไม่พอยังพักไม่พอแล้วไปดึงมันขึ้นมาเหมือนคนกาลังหลับลึกถูกปลุกขึ้นมาปวดหัวถ้าจิตมันถอนขึ้นมาเองนะ ค่อยๆรู้สึกมันรู้สึกขึ้นมานี่พอรู้สึกขึ้นมาแล้วอย่าไปบอกอ้าวสบายแล้วหมดเวลาปฏิบัติแล้วอันนี้ฉลาดน้อยมากไม่อยากว่างโง่เดี๋ยวฟังไม่เพราะฉลาดน้อยมากฉะนั้นพอจิตถอนขึ้นมาให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจร่างกายอยู่ท่าไหนก็รู้สึกไปจะเห็นเลยร่างกายที่อยู่ท่านี้อาจจะนั่งแล้วคอเอียงก็ได้นั่งแล้วแข้งขาเหยียดก็ได้ไม่สําคัญหรอกว่านั่งท่าไหนสําคัญที่คุณภาพข้างใน คือจิตใจเป็นอย่างไรมีน้องร่วมสาบานของหลวงพอ่อต้องเรียกซื้อตีเวลาภาวนาคนนี้ภาวนาเก่งภาวนาดีภาวนาเข้าใจธรรมะแต่เวลานั่งสมาธิแล้วไม่น่านับถือนั่งขัดสมาธิดีๆพอจิตรวมลงไปแข้งขามันจะเหยียดออกไปการแข้งกลางขาคนก็แอบมาหัวเราะครูบาอาจารย์ก็เตือนว่าอย่าไปหัวเราะเขานะตัวเขาไม่ตรงแต่จิตเขาตรงไปหัวเราะเขาบาปฉะนั้นพอเรารู้สึกตัวขึ้นมา ร่างกายอยู่ในท่าไหนเราก็รู้สึกไปพอรู้สึกตัวขึ้นมาใจจะเริ่มคิดเราก็รู้ทันว่าใจมันคิดใจมันเป็นอย่างไรก็ตามรู้มันไปเลยนี่เป็นวิธีการทีนี้บางคนพอจิตถอยออกจากสมาธิแล้วถอยไม่หมดติดความสงบออกมาด้วยตัวนี้มีปัญหาดังนั้นถ้าทำสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิแล้วใจตื่นขึ้นมาเต็มที่อยู่ในโลกมนุษย์ธรรมดาเลยเรียกว่า จิตมาอยู่ในกา ม, มาวาจะระภูมิเลยนี่ดีที่สุดแต่ถ้าจิตมันติดค้างอารมณ์ในรูปาวาจะระอรมปาวาจะระอารมณ์ในฌานออกมามันจะซึมๆมไปนิดหนึ่งมันจะคล้ายคลโลกว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนไม่มีอะไรเลยไม่มีสติไม่มีปัญญาจะไปเห็นอะไรละ่ะทีนี้ถ้าจิตมันค้างอารมณ์ออกมาครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้กระตุ้นให้จิตทํางานดังนั้นครูบาอาจารย์วัดป่าจะบอกว่า พอทำความสงบแล้วให้มาพิจารณากายพุโทโธแล้วมาพิจารณากายรู้ลมหายใจแล้วพอถอยออกมาแล้วมาพิจารณากายพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบเฉยๆของสมาธิออกมาให้มันหลุดออกมาสู่โลกภายนอกนี้ให้ได้พอพิจารณาจนจิตมันกระฉับกระเฉงจิตยอมทํางานจิตยอมรู้กายจิตยอมรู้ใจกระฉับกระเฉงแล้วหน้าที่ของเราก็คือเจริญสติในชีวิตประจําวันต่อไป ฉะนั้นกรรมาฐานที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนจะมีสามขั้นตอนอันหนึ่งทําความสงบเข้ามาทําความสงบอย่างเดียวไม่ดีหลวงปู่มั่นท่านบอกเครื่องหมายคําพูดเปิดทําความสงบมากเนิ่นช้าปิดเครื่องหมายคําพูดนี่พอสงบแล้วใจยังค้างคาอยู่ในความสงบท่านให้พิจารณากายทําไมต้องพิจารณากายตัวเองเพราะว่าพิจารณาแล้วกิเลสมันไม่เกิดถ้าให้ไปพิจารณากายสาวเดี๋ยวมันจะสวยขึ้นมา ยิ่งพวกที่ติดสมาธิพอออกมาเจอหมาหมาจะสวยด้วยซ้ำไปเพราะกิเลสมันจะดีดตัวยอย่างรุนแรงเลยหรือเป็นคนขี้โมโหพอไปทำสมาธิแล้วสงบไปพอออกจากสมาธิแล้วขี้โมโหามากกว่าเก่ามันคิดดอกเบี้ยฉะนั้นครูบาอาจารย์จะสอนให้พิจารณาร่างกายตัวเองพิจารณาแล้วไม่เกิดกิเลสขึ้นมาแต่เป็นการกระตุ้นให้จิตมันทำงานหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดระวังอย่าให้จิตไปติดเฉย ปิดเครื่องหมายคำพูดดังนั้นมาพิจารณากายตัวเองนี่ปลอดภัยพิจารณาอย่างอื่นไม่ค่อยปลอดภัยทีนี้พิจารณานี้ไม่ใช่พิจารณาทั้งวันทั้งคืนหลวงปู่มั่นบอกอีกเครื่องหมายคำพูดเปิดพิจารณามากฟุงซ่านปิดเครื่องหมายคำพูดพิจารณาพอดีพอดีพอให้จิตมันตื่นตัวขึ้นมาคล่องแคล่วปราดเปรียวกระฉับกระเฉงถัดจากนั้นท่านถึงสอนบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดการเจริญสติในชีวิตประจําวัน คือหัวใจของการปฏิบัติปิดเครื่องหมายคำพูดเห็นไหมหลวงปู่มั่นสอนนะเป๊ ะ, เ ป, ะเป๊ะเลยบางคนไปเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ยินหลวงปู่มั่นสอนว่าพุโทโธพุโทโธโอ้ยสมถะแล้วมาบรรลุมรรคผลนิพพานไปได้อย่างไรโกหกไม่จริงหรอกปรามาทล่วงเกินครูบาอาจารย์นะไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นท่านทําสมถะท่านก็รู้ว่าทําสมถะทําสมถะแล้วท่านมาพิจารณากายท่านก็รู้ว่าไม่ใช่วิปัสนา หลวงปู่เทศเคยสอนชัดเลยว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดคิดพิจารณากายไม่ใช่วิปั ส, สนาปิดเครื่องหมายคําพูดหลวงพ่อพุทธก็บอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดวิปั ส, สนาเริ่มเมื่อหมดความคิดปิดเครื่องหมายคําพูดฉะนั้นไม่ใช่คิดเอาทีนี้บางคนฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ไม่ตลอดสายฟังได้นิดๆก็ปราโาทไว้ก่อนว่าเอ้ยนี่พุทธโธเป็นแค่สมถะเพราะไม่ได้ใช้อารมณ์รูปนามใช้ไม่ได้หรอก คิดพิจารณากายก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้เห็นสภาวะธรรมเกิดดับแต่เป็นการคิดเอาไม่ใช่วิปัสนาก็ไม่ใช่วิปัสนาน่ะสิใครว่าวิปัสนาล่ะหัวใจอยู่ตรงที่มีสติอยู่ในชีวิตประจําวันตรงนี้ต่างหากท่านสอนว่ายืนเดินนั่งนอนจะคลองผ้าจีวรหรือสังาติจะฉันอาหารจะขับถ่ายให้มีสติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตรงนี้แหละคือตัววิปัสนาแท้ ท่านถึงบอกว่าหัวใจของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ทีนี้บางคนเรียนไม่ดีหลังๆเนี่ยเริ่มหย่อนไปเออะทําความสงบอย่างเดียวแล้วก็ไม่ยอมพิจารณากายหรือว่าทําความสงบแล้วพิจารณากายแต่พอหมดเวลาปฏิบัติก็ไม่เจริญสติในชีวิตประจําวันถ้าไม่ได้เจริญสติในชีวิตประจําวันอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยยังห่างไกลก็ทําสมาธิวันหนึ่งวันหนึ่งจะทําสักกี่ชั่วโมงใช่ไหม เวลาที่เหลืออยู่ข้างนอกนี่ปล่อยทิ้งไปเฉยๆกิเลสก็เอาไปกินหมดไม่มีสติไม่มีปัญญาฉะนั้นเมื่อเราทำความสงบแล้วก็อย่าสงบเฉยอยู่ให้ต่อขึ้นวิปัสสนาเพระจิตถอนออกมาจากสมาธิมารู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นตามรู้ไปเลยแต่ถ้าถอนออกมาแล้วมันไม่ยอมรู้กายรู้ใจมันซึ่งเซื่องซึมซมอยู่อย่างนั้นหาอะไรมายั่วให้จิตมันทางาน คิดพิจารณากายก็ได้หรือพิจารณาธรรมะอะไรก็ได้ให้จิตมันทํางานอย่าให้มันเฉยพอจิตมันทํางานแล้วคอยรู้สึกแต่อย่าให้จิตมันฟุ้งออกไปข้างนอกคอยรู้วนเวียนอยู่ในกายในใจตัวเองพอจิตมันเคลื่อนไหวคล่องแคล่วปราดเปรียวแล้วจิตจะนุ่มนวลจิตจะอ่อนโยนจิตจะคล่องแคล่วปราดเปรียวเห็นไหมมีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วในพระไตรปิฎกก็พูดถึงคุณสมบัติเหล่านี้ว่าทําสมาธิแล้วจิตเบาจิตอ่อน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 ไอโนนก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาจะเอาความว่างมีบางคนสอนว่าหลวงปู่ดูลสอนผิดพูดอะไรจิตหนึ่งจิตสองไร้สาระไม่เอาอะไรสักอย่างบางคนก็ว่าหลวงพ่อเทียนอะไรจิตเป็นหนูรู้เป็นแมวไม่มีหนูไม่มีแมวหรอกอะไรอะไรก็ไม่มีนั่นมันข้ามขั้นจะไปเอาผลไม่ทําเหตุหลวงพ่อบอกตั้งแต่เช้าแล้วว่าจะเห็นนิพพานได้ต้องรู้แจ้งรูปนามต้องรู้แจ้งในกายในใจนี่เป็นทางเดียวเลย เพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพราะฉะนั้นอยากจะถึงนิพพานที่แท้จริงอย่าน้อมใจให้เฉยอย่าน้อมใจให้นิ่งให้คอยมีสติรู้กายรู้ใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางรู้ทุกอย่างสบายๆรู้อย่างเบาๆรู้อย่างนุ่มนวลรู้แล้วไม่ไปเพ่งรู้แล้วไม่ถลำลงไปสบายๆปัญญามันถึงจะเกิดคือมันเห็นความจริงของรูปของนาม พอมันเห็นความจริงแจ่มแจ้งมันจะปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือพอปล่อยวางได้นะพ้นจากรูปนามแล้วก็จะไปเห็นนิพพานไม่มีทางไปอย่างอื่นหรอกแต่ถ้าอยู่ๆเราก็ทิ้งรูปนามเลยจะไปหลงอยู่ในบัญญัติเพราะสติปัญญาไม่พอที่จะปล่อยวางรูปนามอยู่ๆนึกปล่อยเอาตามใจชอบใช้ไม่ได้นะบางคนไอน้นอนก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอามันเป็นมิจฉาทิฐิชื่อนัตถิกะทิฐิอยู่ๆก็น้อมใจให้ว่าง น้อมไปทำไมความว่างน้อมแล้วสบายมันเป็นสมถักรรมฐานชนิดหนึ่งน้อมใจให้อยู่ในความว่างๆเรียกว่าอากาสานัญจายตนะน้อมใจไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรงุงไม่ให้แต่งเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะน้อมใจให้ไปอยู่กับความไม่มีอะไรเลยโนนก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาไม่มีอะไรเลยชื่ออากินจัญญาตนะน้อมใจให้ความรู้สึกนี้เลือนลางลงไปจนแทบจะไม่รู้สึกเลย ชื่อเนวสัญญาณาสัญญาญาตนะเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาผิดนะมันจะพลาดไปพรหมโลกฉะนั้นคําสอนที่บอกว่าให้ไปดูความว่างให้น้อมจิตไปอยู่ในความว่างนี่เป็นการทําสมถกรรมาฐานโดยคิดว่าทำวิปัสสนากรรมาฐานอยู่อันตรายมากเลยตอนนี้คนที่ดูจิตหลายคนเลยไม่ได้ดูจิตให้เกิดสติปัญญามาเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกว่าถามหลวงพ่อไม่ได้ก็วิ่งไปถามคนโน้นคนนี้เขาพาไปอยู่ในความว่าง เสร็จกันพอดีพระสีอานตัดสรู้ขึ้นมาพอท่านระลึกถึงท่านอยากจะโปรดเราท่านจะอุทานว่าทิพหหยแล้วทิพหหยแล้วพลาดจากคุณอันใหญ่แล้วพระสีอานมาก็ยังกลับมาไม่ทันเลยคืนน้อมไปอยู่ในว่างๆฉะนั้นไม่น้อมอยู่ในความว่างนะรู้สึกตัวไว้รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้จนแจ่มแจ้งในกายในใจในรูปในนามนี้แหละเมื่อแจ่มแจ้งแล้ว จิตจะหมดความยึดถือในรูปนามในกายในใจนี้เมื่อจิตไม่ยึดในรูปในนามพ้นจากรูปจิตจะสัมผัสพระนิพพานนี่เป็นทางสายเอกทางสายเดียวไม่มีทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปดูในสติปัฏฐานได้เลยมีแต่เรื่องกายานุปัสสนาให้รู้กายเวทนานุปัสสนาให้รู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายการสวยอารมณ์มีจิตตานุปัสสนาให้รู้ทันจิตซึ่งมันถูกสังขารปรุงแต่ง เดี๋ยวเป็นจิตโลภจิตกโกรธจิตหลงจิตรู้เนื้อรู้ตัวจิตอย่างโน้นจิตอย่างนี้ธรรมานุปัสสนาก็คือรูปกับนามมีทั้งรูปมีทั้งนามสรุปแล้วในสติปัฏฐานมีแต่เรื่องรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจไม่เคยมีสุญญาตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เคยมีเลยฉะนั้นถ้าใครสอนสุญญ า, านุปัสสนาสติปัฏฐานพวกเราที่เรียนหลักแม่นแล้วเราต้องรู้นั่นไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ถึงจะใส่จีวรก็ไม่ใช่ลูกจิตพระพุทธเจ้าเราต้องแม่นในหลักเราจะได้ไม่พลาดเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปเรื่อยอย่าน้อมให้นิ่งไม่เอานะว่างสว่างบริสุทธิ์ไม่เอาทั้งสิ้นเลยรู้กายอย่างเดียวรู้ใจอย่างเดียวรู้ไปอย่างที่มันเป็นไปพอมันปล่อยปล่อยวางรูปวางนามแล้วมันจะถึงความว่างจริงอันนั้นเป็นผลหรอกอย่าเอาผลมาทําเป็นเหตุเราต้องทําเหตุคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง